พระธรรมคำอสอนของพระพุทธเจ้ามีมากมายนับจำนวนไม่ได้จำนวนเท่าที่จะนับได้ก็ที่มีอยู่ในพระใจปีิคือแปดหมื่นสี่พันพระธรรมประกาอพระธรรมทั้งหมดนี้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 ก็มีรถเหมือนกันหมดก็มีความเค็นทำไมพระพุทธเจ้าทึงต้องตัดสอนวิธีการดับทุกข์ <c oughs> เพราะ <c oughs> ความทุกข์นี้เป็นเหมือนยาพิษนั่นเองที่ไม่มีใครอยากจะสัมผัส <c oughs> ไม่มีใครอยากจะรับประทาน <c oughs> เข้าไปในร่างกาย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 มไม่รู้วิธีการดับทุกข์จึงมีแต่รู้จากวิธีผลิตทุกข์กันจึงมีแต่ความทุกข์กันถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาดับสรู้วิธีการดับทุกข์แล้วนำมามถ้อยแพ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราทั้งหลาย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 จมดกายทางรูปเสียงกิ่นลดโทฏฐัพพะเดิมแทงที่จะดับความทุกข์กลับเพิ่มความทุกข์เพิ่มขึ้นมาอยู่เรื่อยๆถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสสอนก็ะจะไม่มีใครรู้ว่า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 ที่เราเกล่าวถึงว่าสังฆ์ทางสารนังกฉานินี่เองก็คือพระอรหันตัดสาวกและพระอริยะสาวกลำดับต่างๆนับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปท่านหลนี้ได้ดับความทุกข์ไปตามงกำลังของ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 สิ่งที่ยั่วยุนกลวงใจต่างๆสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้กับใจรักษาสี่ให้บริสุทธิ์ควบคุมการกระทำที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใหญ่ขึ้นมาก็คือการกระทำตามความอยากต่างๆไม่ทำ ในสิ่งที่ไม่ควรจะกระทำเช่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพื่ผิดประเวณีในกรณีของนับบวชก็คือไม่เสกกลางไม่ร่วมหลับนอนกับผู้ใดไม่พูดปดและไม่เสกสิ่งที่มึนเมาต่างๆ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 บำเพ็ญเพื่อการดับทุกข์ผู้ที่บำเพ็ญเพื่อการดับทุกข์จึงต้องมีการควบคุมกายวาจาไม่ให้ให้มีการกระทําที่เสียหายที่แก่ผู้อื่นและแก่ผู้กระทำเองเรียกว่าสีพระพุทธเจ้าก็รักษาสีแล้วพระพุทธเจ้าก็ปิดที่วทเว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 เป็นอุเบกขาศัสรตรว่ารู้เวลานั้นความทุกข์ต่างๆภายในใจก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาเพราะเหตุที่ทำให้ความทุกข์เกิดขึ้นนั้นได้สุก ง, งัดไว้ชั่ ว, ขวเข่าเหตุก็คือตัณหาต่างๆความอยากต่างๆนี่อเองการมตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหาจะไม่ทำงาน ไม่สามารถทำงานได้ในขณะที่จิตนวนอยู่ในอุบเบกขาอยู่ในสมาธิอยู่ในความสงบเพราะตอ น, นั้นไม่มีสังขารความคิดปรุงแต่จะคิดปรุจะเกิดตัญหาขึ้นมาได้ต้องมีการคิดปุงแต่เพราะความคิดปรุงแต่งนี้จะเป็นเครื่องมือของปัญหานั่นเองเพราะพออยู่ในสมาธิ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 เลิศที่ประเสริฐกว่าความสุขต่างๆทั้งหลายในโลกนี้การที่ใจจะเข้าสู่พางสงบได้ก็ต้องมีตัวบังคับมีตัวราบจูงให้ใจเข้าข้างในใจนี้จะปกติจะออกข้างนอกอยู่เรื่อยๆเพราะมีตัวคอยผลักดันให้ออกไปก็คือการมตตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานี้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 ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาที่มันแก่เวลาที่มันเจ็บเวลาที่มันตายนี่คือการพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วเพื่อที่จะได้สกัดกัน้นความอยากนั่นเองถ้าเห็นอนิจจังทุกขังอนาาั้นตว่าจะไม่อยากได้เหมือนกับเห็น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 เจ็บไได้ป่วยขึ้นมาดันั้นใดเราต้องเห็นป้ายนี้ในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นราบยกสันทเสนไม่ว่าจะเป็นนูกดสียกิ่นตโผล่ะไม่ว่าจะเป็นร่งนภภางกายของเราหรือของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารเวิญญารวนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราเห็นด้วยปัญญา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 แล้วก็เลื่อนชั้นขึ้นไปตามระดับจนในที่สุดก็สามารถจบการศึกษาในระดับต่างๆได้อันใดการดับความทุกข์ในระดับต่างๆก็เป็นเหมือนกับการศึกษารั้มเรียนนั่นเองเพียง <c oughs> แต่ว่านอกจากศึกษาแล้วยังต้องนำเอามาปฏิบัติด้วยเพราะการศึกษาเพียงอย่างเดียวนี้ยังไม่สามารถที่จะ ดับความทุกข์ภายในใจได้เช่นเราศึกษาเรื่องการทำทานเรารู้แล้วว่าเราต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองั่าัดเราต้องรักษาศีลศีลห้าศีลแปศีลสอง้อยยี่สิ 5, ส 8, ส 2, 120, สเจ็บศีลสามร้อยกว่าตามลำดับตามเพศตามวัยแล้วก็ต้องไปีุวิเวท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 พุท ธ, ธานุสติคือการเจริญพุทธคุณหรือการระลึกถึงพ่อพุทธเจ้าจะเป็นการสวรดบทพุทธคุณไปก็ได้เช่นอิออิปิโสอาหังสมาสวดไปหรือเป็นการบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้ขาดตอนไม่ให้พังไม่ให้เผลอไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือถ้ามีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาแทรกก็ไม่สนใจให้สนใจอยู่กับ ก, บการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปเพียงอย่างเดียวตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาหลับตานอนไม่ว่าจะทำกิจอะไรต่างๆ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 กำลังนอนก็รู้ว่ากำลังนอนพอจะลุกขึ้นมาก็รู้ว่ากำลังลุกขึ้นมาพอยืนก็รู้ว่ายืนพอเดินก็รู้ว่ากำลังยืนกำลังเดินพอกำลังล้างหน้าล้างตาอาบน้ำอาบทา่าแปรงฟันหวีผ้าหวีผมแต่งเนื้อแต่งตัวทำอะไรต่างๆก็ให้เฝ้าดูการกระทาของร่างกายเพียงอย่างเดียว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 เพอเจอ้าเพอฝันคิดแบบไม่มีขอบไม่มีเขตคิดด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจำเป็นเท่านั้นพอไม่มีความจำเป็นต้องคิดก็ดึงกลับมาอยู่ที่ร่างกายเฝ้าดูร่างกายต่อไปพอมีเวลาว่างก็นั่งหลับตาตั้งตัวให้ตรงแล้วก็กำหนดดูลมหายใจเข้าออก ที่เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายดูที่จุดใดจุดหนึ่งที่สามารถเห็นการสัมผัสของลมได้เช่นที่ปลาจมูกเวลาลมเข้าลมออกนี้จะต้องออกที่ตาจมูกจะรู้มีความรู้สึกว่ามีลมสัมผัสอยู่ตรงนั้นก็จดจ่อเฝ้าอยู่ตรงนั้นไปลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้แต่ไม่ต้องวิ่งตามลม เข้าไปไม่ต้องวิ่งตามลมออกมาให้อยู่จุดเดียวไม่ต้องการให้ใจเคลื่อนไหวให้ใจอยู่นิ่งๆอยู่ที่จุดเดียวเข้าดูมันไปหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ลมหยากหรือลมละเอียดก็รู้หายใจสั้นหายใจยาวก็รู้แต่ไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมปล่อยให้ลมเป็นไปตาเมเรื่องของเขา ใจมีหน้าที่รู้เพียงอย่างเดียวไม่ใช่มีหน้าที่มาสั่งให้ลมละเอียดหรือหยากสั่งให้หายใจสั้นหรือหายใจยาวถ้ามีการสั่งก็จะมีการทำงานของใจใจก็จะไม่สงบไม่ต้องการให้ใจทำอะไรเลยใจจะสงบได้ใจต้องรู้เฉยๆเพียงอย่างเดียวสักแต่ว่ารู้เท่านั้นแล้ว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 พอเกิดความอยากจะกินขนมอยากจะดื่มเกิื่อดื่มเราจะไม่มีกำลังที่จะใช้เหตุใช้ผลต่อต้านความอยากได้เลยเพราะใจมันหิวนันเองพอใจหิวพอมีผู้มาเสนอของให้รับประทานก็คว้าทันทีแต่ถ้าใจอิ่มแล้วถึงแม้จะมีคนเอาของมาให้ก็จะถามดูก่อนว่าเป็นยาพิษหรือเปล่า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 อาหารก็มากอยู่แล้วกินเข้าไปทำไมกินให้ไข่กินให้น่างการนา่งการบอกไม่ต้องการแล้วพอแล้วน้ำหนักเกินแล้วกินให้ไข่ก็กินให้ตันหาถ้ากินให้ตันหา ก, าก็เป็นการสร้างความทุกข์าจขึ้นมาเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่ผู้ที่มีสมาธิจะสามารถพิจารณาเพื่อที่จะ เห็นโทษของความอยากได้แล้วก็หยุดความอยากได้ไม่ทําตามความอยากได้เพราะไม่จาเป็นจะต้องทําตาเพราะใจมีความอิ่มที่ได้มาจากสมาธิอยู่แล้วแต่ถ้าใจไม่มีสมาธิไม่มีความอิ่มมันหิวพอใารยื่นอะไรมาให้ก็จะเอาทันทีเอาขนมมาให้ก็รับทันทีเอาเครื่องดื่มมาให้ก็รับทันที ทั้งๆที่ร่างกายบอกว่าหมอห้ามดื่มหมอห้ามรับประทานแต่ใ จ, ใจไม่ยอมฟังใจบอกในเรื่องของคุณฉันต้องการจะดื่มฉันต้องการจะรับประทานส่วนร่างกายคุณจะไปรับโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมา <c oughs> ก็เรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของใจงไม่ใช่เรื่องของตัณหาความอยากความอยากมันไม่สมนใจร่างกายจึงต้องรับโครคภัยไข้เจ็บต่างๆเข้ามา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 ความทุกข์ให้กับใจอย่างที่มนุษย์นราทั้งหลายกำลังเป็นกันอยู่ในทุกวันนี้อยู่ดีกินดีก็ทุกไปแบบนึงเรากินมากเกินไปกินตามคามอย่างจนร่างกายนี้เป็นโรคอ้วนขึ้นมามีโรคทัยต่างๆตามมาโรคไขมันอุดตันโรคเบาหวานโรคความดังโรคหัวใจ ก็เกิดมาจากการอยู่ดีกินดีนั่นเองอยู่ดีกินดีมากเกินไปมากเพราะความ่ากของตัณหาความอยากถ้ามีธรรมะแล้วอยู่ดีกินดีก็จะมีขอบมีเกลิ่กินตามความต้องการของร่างกายจะไม่กินมากเกินเกินไปจะไม่มีปัญหานี่คือเรื่องของ ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากและการดับทุกข์ด้วยการใช้คําสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องมือศึกษาวิธีการดับทุกข์แล้วก็นําเอาไปปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนให้เราสละการใช้เงินใช้ทองเป็นเครื่องมือในการหาความสุข อย่าไปหาเงินหาทองเพื่อที่จะเอาเงินมาซื้อความสุขตามความอยากต่างๆนอกนจากซื้ออาหารหรือสิ่งที่จําเป็นต่อการดารงชีพเท่านั้นที่ไม่ถือว่าเป็นพึ่งเป็นไถยแต่ก็ต้องอยู่ในขอบเขตของความพอดีคือความต้องการของร่างกายถ้ามากเกินไปนก็กลายเป็นกิเลสได้ เป็นจริงมากเกินไปใช้เสื้อผ้ามีเสื้อผ้ามากเกินไปมีบ้านราคาแพงเกินไปรักษาโรคภายไล้เจ็บ ด, ด้วยราคาที่แพงเกินไปเกินเหตุเกินผลก็ ไ, ไม่ได้ต่แก้นี้ไปป้องกําไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายได้จะรักษาด้วยเงินว่านเร่รักษาด้วยสามสิบบาทถ้ามันจะหายมันก็หายเหมือนกัน ถ้ามันไม่หามันก็ไม่หาเหมือนกันดินถ้าต้องใช้มงนเท่าก็ให้ใช้เพื่อที่จะเยียวยาดูแลรักษาร่างกายเท่านั้นถ้าใช้แบบนี้ก็ไม่ต้องใช้มากเมื่อไม่ต้องใช้มากก็ไม่ต้องหามากเมื่อไม่หามากก็จะมีเวลาที่จะมารักษาศีลได้มาปฏิบัติธรรมมาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาได้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 ไม่ได้เป็นการที่จะมาทําลายก้าวศึกศัตรูแต่อย่าง ใ, ใดหน้าที่แบทของนักบวชนี้เท่านั้นแหละที่จะเป็นการทําหน้าที่เพื่อทําลายก้าวศกศัตรูดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะหมดทุกข์หมดสุขหมดหมดโศหมดภัยเราต้อง อยู่แบบนักบวชให้ได้ต้องปฏิบัติแบบนักบวชต้องปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลังเบื้อต้นก็นจะิองสติแล้วก็ทําใจให้สงบสงบข้างแรกก็อาจจะสงบเดียเ๋ยวเดียวเมียกว่าครั้กลับสมาธิก็ต้องพยายามจะลองสติเพิมากขึ้นไปสติมีกําลังมากเท่าไหร่ความสงบก็จะนานขึ้นไปเรื่อย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 พอไม่มีความอยากหนึ่งเหนืออยู่ายในใจก็จะไม่มีสิ่งที่จะมาทำลายความสงบความสุขของใจใจก็จะสงบจะสุขไปตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธินี่แหละคือผลสุดท้ายของการปฏิบัติใจจะสงบตลอดเวลาการเจริญสติสมาธิปัญญาก็จะไม่จำเป็นจะต้องเจริญอีกต่อไป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 รับประทานยาไปทําไมไม่รู้จะต้องเจริญสติสมาธิปัญญาอีกต่อไปไปทําไมเพราะว่าไม่มีไม่มีสิ่งที่จะให้สติสมาธิปัญญาทําลายแล้วนั่นเองเหมือนกับยารัากษาโรคของร่างกายแล้วประทานเข้าไปเพื่อทําลายเชื่อโรคที่ทําให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ปวยพอเชื่อโรคถูกทําลายไปหมดแนะล้วโรคภัยไข้เจ็บ หายไปหมดแล้วน่างกายเป็นปกติสุขแล้วจะรับประทานยาไปทาไมไม่มีใครรับประทานยาพอหายจากโรคภายใกล้เจ็บแล้วก็หยุดรับประทานยานั่นใลการปฏิบัติธรรมก็เป็นเหมือนกับการรับประทานยาพอความทุกข์ภายในใจหายไปหมดแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรับประทานยาไม่ต้องปฏิบัติต่างไป ถ้าถึงมากแก่กล่กาวกันต่ออย่นั้นว่าผู้สิทธังบำเจรียกิจในพรมกิจในพรมบำารนี้ได้เสร็จขึ้นแล้วไม่มีกิจอันยิ่งอันที่จะต้องทำอีกต่อไปกิจอื่นที่ยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วทำไปเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะทำให้ <c oughs> ความสุขที่ได้นี้มากไปกว่านี้แล้วไม่สามารถที่จะทำให้ทุกมัน หายไปมากไปกว่า น, นี้แล้เพราะมันไม่มีแล้วมันถึงศูนย์แล้วจะไปทำให้มันมากกว่าศูนย์ได้อย่างไรนี่แหละผู้ปฏิบัติทำพอถึงจุดนั้นแล้วจะรูภ้ภายในใจของตอนเองรู้ว่าจิตของตนได้เสร็จแล้วไม่มีจิตไม่ต้องเจริญสติไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องเจริญปัญญ า, าแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญามีอยู่ตลอดเลลวลา แต่ไม่มีจะตามจาเป็นที่จะต้องใช้หมืนถ้าจะใช้ก็ใช้แต่เฉพาะในกิจที่คอยดูแลรักษาร่างกายไปกั่านันเช่นจะเดินก็ต้องมีสติถ้าไม่มีสติก็เดี๋ยวก็เดินชมสิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้ได้แต่ไม่ได้มีไว้เพื่อที่จะมาต่อสู้มาฆ่ากิเลสันหาต่างๆที่มีอยู่ไปใจจะใช้ปัญญาก็ใช้เพื่อที่จะ ดูแลรักษาร่างกายหรืจะใช้ปัญญาไปเพื่อสั่งสอนผู้อื่นอย่างพ ร, าพระพุทธเจา้าก็ยังใช้ปัญญาพระอรหันต์สาวกท่านก็ใช้ปัญญาเวลาเผยแผ่ธรรมท่านจะอะไรมาเผยแผ่ถ้าไม่เอาปัญญามาเผยแผ่เวลาแสดงธรรมทัานก็มีสติอยู่กับการแสดงธรรมพูดไปแสดงด้วยเหตุด้วยผลไปจนกว่าจะเสร็จ แสร็จแล้วก็หยุดพูดไปก็ยังใช้อยู่แต่ไม่ได้ใช้เป็นเครื่องมือมาดับความทุกข์ภายในใจแต่เป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ธรรมตั้งแต่วันเพ็ญเดือนหกหลังจากที่พุทธเจ้าได้ทรงตัดจารุแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้สติสมาธิปัญญาเพื่อมาดับความทุกข์ในทัตถายของพ่อองค์เองแต่ใช้ในการวินิจฉัยว่าควรจะเผยแผ่ธรรมะต่อไปหรือไม่ หเผยแผ่ธรรมะให้แก่จัดโลกหรือไม่ในเบื้องต้นก็ทรงมีความท้อทัศเพราะทรงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ยากลําบากสําหรับมนุษย์ปุตตุชนทั่วๆไปที่จะปฏิบัติตามได้แต่หลังจากใช้เวลาวินิจฉัยก็ทรงเห็นว่ามนุษย์ก็ไม่ใช่มีแต่ปุตุชนมนุษย์ปุตุชนก็มีหลายระดับด้วยกัน ระดับที่มีอินทรีย์ที่แตกได้ที่มีเครื่องม้เครื่องมือที่จะน้อมเอาคํำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติได้ก็มีก็คือพวกนักบวชทั้งหลายที่มีศีลแล้วมีสมาธิแล้วได้สารทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแล้วแต่สิ่งที่เขาไม่มีก็คือปัญญาที่จะมาใช้ในการแก้โมหะความหลงเขาไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตา เขาไม่มียริอยาสักสิมีพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์เดียวที่มีที่รู้ที่เห็นอพอพ่อพ่อก็เลยทรงร่วมกันสั่งสอนพวกที่จะนักบวชก่อนที่หลังจากได้ตัดสรุนล้สองเดือนใช้เวลาแต่เตาพักผ่อนจิตใจพักผ่อนพระวรการหลังจากที่ต้องเหนื่อยยากมากับการปฏิบัติเสวยวิมุตติสุขอยู่สองเดืน จึงได้ทรงตัดสินพระไถว่าจะประกาศพระธรรมคำสอนโตกสว์โลกก็เลยมุ่งไปสู่พระปัญจวัคคีที่เคยเป็นสามกติดตามที่มีศีลมีสมาธิแล้วแต่ไม่มีปัญญาก็เลยไปโตปกพระปัญจวัคคีในวันเพเ็ญเดือนแต่ที่เรารู้จักกันว่าเป็นวันอาสาหบุญชาทรงแสดงพระปฐมเทศนา ส่งแสดงเรื่องของมรรคละอริยสัจสี่สงแสดงเรื่องตายรักอนิจจ์ทูกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายสรงแสดงเหตุของความทุกข์ใจว่าเกิดจากตัณหาส ร, รงแสดงมรรควิธีที่จะดับความทุกข์ใจละความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจด้วยการเจริญปัญญา ให้พิจาณาให้เห็นใจรักอนิจจทุกขังอ น, นุตตรพอทรงแสดงก็ญญาปรากฏมีผู้ที่เข้าใจและบรรลุทำขั้นได้ทันทีเลยคือพระอนยงางโกนัญญานี่คือการใช้สติสมาธิปัญญาของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ทรงดับการรู้แล้วได้ดับความทุกข์ภายในก็ถ่ายของพระองค์ไปจนหมดสิ้นแล้ว พรองค์ไม่ได้เอาไว้ใช้ไว้สำหรับมาดูแลรักษาใจของพรองต่อไปเพราะใจนี้หายจากโกาครคภัยแค่เจ้บก็เอาเอาสติปัญญาสมาธิที่เป็นธรรมโอสถนี้มารักษาโรคใจของผู้อื่นต่อไปผู้ที่ยังมีความทุกข์ใจอยู่ก็ส่งมอบอยานี้ให้พวกเรานี้กำลังได้รับมอบอยาจากพระพุทธเจ้ากัน ให้เราเจริญสติให้นั่งสมาธิให้เจริญปัญญานี้ปัญญาที่พระเจ้ามอบให้กับพวกเราเพราะพวกเรายังมีเชื้อโรคอยู่ภายในใจยังมีกิเลสมีปัญหาที่เป็นตัวสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆอย่างไม่รู้จักจบจากทิ่นี้อยู่ถ้าพวกเราน้อมเอายาที่พระเจ้ามอบให้กับพวกเรามารับประทานมาปฏิบัติต่อไป ใจของเราก็จะหา้จากความทุกข์ต่าง ๆ, ๆแล้วเราก็จะได้ทําหน้าที่เป็นท้าสาวของพระพุทธเจ้าต่อไปนําเอายาของพระพุทธเจ้ามามอบให้แก่ผู้ที่ยังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นี่คือการถ่ายทอดยาของพระพุทธเจ้ามีการเริ่มกระทำมาตั้งแต่วันเพ็ญเดือนแปด เมื่อ 2,500 กว่าปีแล้วแล้วก็มีผู้รับยา น, นี้ไปรักษาโรคของตนพอ ร, รักษาหายแล้วก็เอายา น, นี้ไปเผยแผ่ให้แก่ผู้ผู้ที่รักต่อก็ไปเอาไปรับประทานเอาไปปฏิบัติจนหายแล้วก็เอาไปเผยแผ่ให้แก่ผู้ก็ทํากันอย่างนี้มาอย่างต่อเนื่อง แย่างในสมัยปัจจุบันนี้ก็หลวงปู่มั่นก็รับมาจากหลงปู่สาวศึกษากับหลงปู่สาวแต่ยากพอท่านหายแล้วท่านก็สอนลูกศิษย์ลูกหาที่ไปศึกษากับท่านเช่นหลวงปูแ่แหนหลวงปู่เท้าหลวงปู่ฟัน้นปูบาอาจารย์ต่างๆที่เรากราบไหว้บูชาติท่านก็เป็นคนเหมือนพวกเราคนที่มีความทุกข์มีกิเลสตัณหา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 มานั่งต่อรองกันขอเดี๋ยวอยู่กับลูกก่อเป็นห่วงลูกนาะกห่วงแฟนมาะห่วงสมบัติมากห่วงนู่นห่วงนี่แล้วไม่มีเวลาที่จะไปกินยาสักทีโรกมันเลยไม่ไม่หายคนที่เขาไม่มินรอนีพอเขาได้รับยามาเขากระโดดเลยเขารับมากินเลยฉะลาดหมดเลยเ ง, งินทองเข้าตังค์มีเท่าไหร่ย่อมให้คนอื่นไปเลยมีงานมีการกัลาออกไปเลย อยาจะลองสติสมาธิปัญญาไปรักษาสีได้นมันบ่อยสุดทําอย่างนี้ไปมันไม่นานมันก็หายเพราะกินยาอย่างต่อเนื่องเอาไปรับยาจากหมอแล้วไม่กินตามที่หมอสั่งเลยหมอบอกให้กินวันละสีเนมะื่อพี่เราเล่นกินแก่สี่วันครั้งหนึ่งเมื่อไหร่มันจะหายนะอย่าทําแบบนั้นต้องทําตามหมอสั่ง หมอบอกใหกินวันละสี่ครั้งตามเวลาหลังอาหารไละก่อนนอนก็ต้องทํอย่างนั้นโรคมันถึงจะหายได้ไม่ใช่สี่วังกินสักครั้งกินเพราะความเกณฑใจหมอพอหมอถามว่ากินยาป่าจะได้บอกกินแล้วทำไมไม่หายเราต้องขวนขวายเราต้องเชื่อฟั ง, งตักท่าทำมาเชื่อคือต้องเชื่อฟัง ไม่ใช่เชื่อแบบดือ้อเชื่อแบบเชื่อแบบดื้อไม่ได้ว่าเชื่อเปล่าพระพุทธเจ้าบอกให้ทำอะไรต้องทําตามทําให้มากทําให้เต็มที่ให้ได้ถ้าทําได้เต็มที่อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำผลมันก็ต้องเต็มที่อย่างแน่นอนถ้าไม่ทําเต็มที่ผลมันก็ไม่เต็มที่ดังนั้นอย่าไปโทษใครเราได้ยามาแล้วกันทุกคนถ้าเราไม่หาจากโกาครคภัยแค่เจ็บก็เพราะเราไม่กินยา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 ถ้ามีการเจริญวิมุตติก็ต้องเป็นผลที่เกิดมาตัดขึ้นตามมายางแน่นอนวิมุตติก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหายจากโลกของความทุกข์ดกโลกภายนของใจหายไปหมดเพราะความทุกข์หายไปหมดด้วยยาของพระพุทธเจ้านี่ฉะนั้นขอพวกเราพยายามรีบเร่งพยายาม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 อีกหลายเท่าเลยกันตอนนี้เราได้โอกาสอันเลิศอันตรอเสริฐแล้วเป็นโชคเป็นโชคมหาศาลของเราแนละ้วเป็นโอกาสที่เราจะสามารถรักษาใจของเราให้หายจากความโชคได้แล้วนะถ้าเราไม่ปฏิบัติก็ไม่มีใครจะช่วยเราได้ต่อให้เราท่องพุทธังทำมั ง, งสงามังสารณันกระฉามนี้ไปจนวันตายมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะเพราะสารณะนี้เกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการศึกษา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 พยายามกันทำกันเดินมาอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปพรุ่ง น, นี้อาจจะไม่มีสำหรับเราก็ได้วันนี้เรายังปฏิบัติได้รีบปฏิบัติกันอย่าไปเสียดายกับอะไรต่างๆในเรื่องนี้เพราะมันก็ต้องจากเราไปอยู่ดีมันอยู่กับเรามันก็ไม่สามารถดับความทุกข์ภายในใจให้กับเราได้ว่าเราไปอยู่กับมันทำไมมันไม่ได้เป็นเครื่งของเรา ที่พึ่งของเราก็คือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความดับทุกต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจนขอยุติร์ไว้เพียงเท่านี้ขออนโมสนาให้ทวา ยะถาวาริวาฮาสูราปริภ ah ูเรติสากหลังเอวเมวะอิโตทินาเปตานัง e อุปกัรปฏิอิช an ิตังปฏิตังตุ้มังทิปะเมวะสมิดจตุสัพเพภูเรตุสังกะปาจันโทปนาระโสยทถามนนิโตรติ ทาาโสยทาสัพพีติโอวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวทนตาราโยสุขีทีขาโยโภภวนาพิวาทานสีลิศนิจาวุฒาปจายโนจตารโอธมาวาธานติอายุวโนสุขัง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 สาหปีต่อมาก็ทรงนึกถึงพระคุณของพระมารดาก็มีพลังจิต ท, ที่สามารถติดต่อกับจิตของพระมารดาที่ตอนนั้นเป็นเทพยอยู่ได้สามารถติดต่อคุยกันสั่งสอนธรรมะได้จนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนี่คือเรื่องของความสามารถพิเศษที่ผู้ปฏิบัติธรรมบางท่านจะสามารถ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 เพราะว่ามันอาจจะทำให้หลงได้ความสามารถพิเศษดับนี้ไม่มีความสามารถที่จะดับความทุกข์ใจได้ความความสามารถที่จะดับความทุกข์ใจได้ก็คือการมีสติมีสมาธิและมีปัญญาท่านจึงสอนแต่เรื่องสติสมาธิปัญญาเป็นหลักส่วนผู้ที่ได้มีตาทิ่ผู้ชิดรู้อดีตรู้อนาคตนี้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 เราจะทำให้เกิดความทุกข์เพิ่มมากขึ้นดังนั้นถ้าถ้าใครมีก็ปล่อยเขามีไปถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ต้องไปกังวลไม่มีก็สามารถที่จะปฏิบัติดับทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดได้มีอาจจะไม่ได้ปฏิบัติเพระาะหมจะจะไปทำเรื่องความรู้ความสามารถพิเศษเช่นคนมีตาที่ผู้ที่ก็เลยไม่สนใจที่จะปฏิบัติเป็นหมอดูดีกว่า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 ถ้าเรายอมรับความจริงอันนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปหาหมอดูให้เสียเวลาเพราะหมอเขาจะพูดเอาใจเราบอกโอ้ยคุณจะมีอุปสรรคนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะลุ่งเรืองเจริญขึ้นมาพูดอย่างนี้ทุกไลนะ์เนี่ยพูดให้กำลังใจนะดังนั้นเอาความจริงดีกว่าต้องตายด้วยกันทุกคนต้องเจ็บต้องแก่ด้วยกันทุกคนไม่ว่าจนไม่ว่ารวยไม่ว่าใหญ่เล็กต้องเป็นเหมือนกันหมด ถ้คิดอย่างนี้แล้วใจจะสบายพอใจตรงได้แล้วใจจะไม่ทุกข์พอได้อยังมีอะไรอีกไหมใครอยากจะถา ม, มข้างหลังแสดงว่าถา้าเราดได้กลิ่นหอม ต่างๆอะไรนี่ก็เฉยๆไว้ก็รู้เฉยๆด้วยเป็นหน้าที่จางทุกขังอนัตตาเพรอมเดี๋ยวมันก็หายไปถ้าเราชอบเดี๋ยวเวลาหายไปก็เสียใจเสียดาย <c oughs> ถ้าไม่ชอบกลิ่นเหม็นก็ทุกข์ใจขึ้นมาอีกเหม็นต้องเฉยๆทําใจเป็นอุเบกขาไว้ห้ามันไม่ได้สั่งมันไม่ได้เหม็นก็ต้องทนรับกลิ่นไปหอมก็รู้รับกลิ่นไปเดี๋ยวมันเ <c oughs> มนเรือหอมเดี๋ยวมันก็จางหายไป ไม่ต้องปไปอบอกอะไรเขาหรืออะไรยังไงไปไองบอกอะไรก็เหมือนกับคุณเดินไปที่<ะ>อกองขยะแล้วได้ดมกลิ่นเหม็นแล้วบอกให้เธอเหม็นแล้อเกินเธอทำไมไม่หายไปเราไปสั่งมันไม่ได้ท่านวายพิจนาว่าเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาไปเราจะได้ไม่ทุกข์ถ้าไปอยากให้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็จะทุกข์ขึ้นมาพระอาจารย์คะอีกข้อค่ะคืออถ้าเราทราบว่า มีคนเจ็บที่ใกล้จะเสียชีวิตแล้วเราก็าผ้าไตรไปให้เพื่อให้เขาได้ทำบุญก่อนครั้งสุดท้ายนี่เป็นสิ่งที่ ส, สามารถทำได้หรอืหรอไม่ทำได้แต่ไม่ได้บุญหรอเพราะมันไม่ได้ออกมาจากตัวเขาเองอ ม, มันต้องออกจากเจตนารมณ์ของเขา<ะ>เขาอยากจะทำบุญแต่ข า, <ะ>าอยากจะทำบุญอย่างเงี้ยเขาจะได้บุญแต่อยู่ดีๆเราไปให้ผ้ า, าก็แบบถวายพระถวายพระสิเขาก็ถวายแต่เขาไม่รู้เรื่องเพราะ ค่าไม่ใช่ของเขาเงินไม่ใช่ของเขาเขาไม่ได้มีความรู้สึกว่าเขาได้สละได้ได้ได้ตรงเลยต่อสิแต่ถ้าเราต่อต่แต่ถ้าเรายกให้เขาคือว่าเป็นจะแต่ว่ายกให้เขาเป็นเจ้าของนี้เลยได้ไหมฮะคือว่า มันต้องให้แบบที่ไม่ใช่ให้แล้วเธอเอาไปทําบุญนะอย่างนี้มันก็ไม่เไดกเป็นเจ้าของอยู่ดีต้องให้แล้วแล้วแต่เขาเขาจะาไปโยนทิ้งหรือใช่ไปทําบุญก็เรื่องของเขาเน้นน่ะมันต้องออกมาจากใจของเขาว่าเขาอยากจะทําบุญหรือไม่อยากจะทําบุญไม่ใช่เอาไปเอาไปนะั้นเราไปทําบุญนะอย่างนี้มันก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะมันไม่ได้เป็นของเขาเขาไม่รู้สึกว่าเขาสูญเสียอะไรไป มันต้องมีความรู้สึกสูญเสียในสิ่งที่เขารับไปเราก็ยินดีที่จะให้ถ้าเขาให้แบบนั้นแล้วใจเขาจะสงบใจเขาจะมีความสุขเขาก็พร้อมที่จะยกร่างกายของเขาให้สับปเปลือนไปได้หรือถ้าอย่างนั้นเปลี่ยนคําพูดหมาว่าเราขอเอาไปทําบุญเพื่อให้เธอได้บุญกับเราให้เธอมวยทำบุญกับเราได้ไหมไม่ได้ทั้งนั้นอนะบุญใครบุญมันใครกินใครได้ใครไม่กินก็ใครไม่ได้ ถ้าเขาไม่อยากจะทำบุญก็อย่าไปไปบังคับหรือไปทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้หรอกเพราะใจเขาไม่ไม่น้อมมาทางนี้เขายังรักยังหวงหรือเขาไม่เชื่อว่าทำแล้วได้อะไรเขาก็ไม่อยากจะทำคือโยมคิดว่าเผื่อว่าช่วขณะจิตหนึ่งเขาคิดเป็นกุศลนะคะก่อนที่จะสิ้นมันคิดแต่กุศลมาตลอดแล้วมันอยู่ดีมันจะเป็นกุศลขึ้ น, นมาได้ยังไง นอกจากพระพุทธเจ้านี่อาจจะทําได้อย่างมันองค์คุลิมานี่เป็นาใจเป็น อ, นอกุศลแต่พระพุทธเจ้าพูดธรรมะแทงใจเขาครับมันก็พลิกใจเขาได้มันต้องพลิกใจก็แบบนั้นคุณทําได้ไอมฝั่งจากคนที่ไม่ชอบทําทางแลพูดปั๊มให้เขาอยากจะทําทางขึ้นมาเลยทําได้ไหมฝั่ง แว่าทุกคนต้องมีพื้นฐานของการทำ บ, บุญมาในกลาลก่อนซึื่งจะทำให้ตรงนี้ทำได้ง่ายขึ้นถ้าเคยทำมาแล้วมันก็ง่ายถ้าไม่เคยทำมามันก็ยากแต่ไปยุ่งกับคนอื่นแล้วยุ่งกับตัวเองเถอะตัวเองก็ยังมีบุญต้องทำอีกเยอะแยะไม่ทำบุญของตัวเองไม่ทำพยายามจะไปบังคับให้คนอื่นเ้าทำบุญทีนี้ขอถามเรื่องภาวนาเลยครคือโยมไม่จะชอบนอนภาวนาจะค่ะ มีค่ที่นอนก่อนนอนเนี่จะพยายามดูลมหายใจคือเรียกว่าเหมือนเดินลมปราณเข้าก็รู้ออกก็รู้จนถ้มันหลับไปที่ทุกครั้งสังเกตดูว่าถ้ามันเหมือนฝันอะมันออกไปแต่มันชัดเจนมากเลยนะคะแทนที่ไปอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นอะเราเอ้ยนี่เรานอนอยู่นะไอความรู้สึกที่อยู่มันออกไปข้างนอกเลยมันกลับเข้ามาภายในตรงนี้มันสะดุ้งเลยนะคะนี่ต้องแก้ไขยงไงเจ้าค่ะจะก็อย่าไปนั่งอย่าไปนอนภาวนานลยถ้าจะภาวนาต้องนั่งเห็นไหมพระพุทธเจ้านั่งก็นั่งภาวนา ที่ท่านนอนภาวนาก็ตอนที่ท่านตายท่านคือว่านั่งมาแล้วค่ะแล้วก็นอนก็รู้สึกรู้ ล, ล, ล, ลมไปด้วยน ะ, ะอ๋อก็ไม่เป็นไรก็รู้ไปแล้วมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันก็คือว่าเป็นเหมือนนอนห ล, ลับแล้วก็ฝันไปกันแล้วกันแต่รู้สึกมสะดุ้งแบบแรงมากเลยมันเมืมันกลับเข้ามาแรงสะดุ้งมันเป็นเรื่องจิตของเราเองมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการภาวนาเวลานอนอก็ต้องมีสติเวลาสะดุ้งก็ให้รู้เหมือนกับเราสัมผัสรับรู้อะไร แล้วก็ปล่อยมันไปรว่าสะดุ้งแล้วก็จบไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องไปต่ไม่ต้องไปเหลือดเนื้อร้อนใจกับการสะดุ้งของมันให้รู้ว่านี่มันเป็นนิสัยของเราเป็นสันดาณของเราเป็นส่วนหนึ่งของเราเทานั้นเองถ้าเราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ก็ให้พิจารณาลงไปที่ตายรักเสมอแล้วมันก็จะปล่อยได้แล้วถ้ามันว่านว่ามัครังเนี่ยไปสัมผัสกับวิ ญ, ญญาณที่อยู่รอบข้างตรงนั้น ล, ละคะ คือเหมือนเขเห็นเขาชัดเจนมากแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรกับเานันา่ถามเขานะเหรอคืขาเฉยอะ่ะ เ, เขาเฉยเขาไม่แสดงเขาไม่ต้องการอะไรเลยาต้องการจะดูเราเฉยเฉยนะก็ปล่อยเขาดูไปเลไม่เลบอกอต่างคนต่างอยู่ก็แล้วกันนะอ่าก็อย่างนั้นแหละจะเอาอยัางไงละ่ะเพตอนนี้เราก็อยู่ด้วยกันก็ต่างคนต่างอยู่ไม่ใช่ไมันก็เหมือนกันอ่ะกายทีพกับกายหยาบมันก็เหมือนกันเลย ไม่มีส่งมาให้ที่ไปจะช่วยส่งมาให้คุณต่อไปก็จะมีคําถามทางอินเทอร์เน็ตอ่านชนะ้าๆใจเย็นฟังชัดๆไม่ต้องตื่นฉาญ้ำค่ะต่อไปเป็นคําถามจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะคําถามแรกจากคุณพิมพ์ อ, อนมีคําถามสองข้อนะคะแบ่งถามแยกทีละข้อ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 ไปพูดไปพูดมาเดี๋ยวแทนที่เขาจะเกลียดกันเขากลับมาเกลียดเราแทนก็นันอันนี้ต่างหากมั้งเขาควรจะหมายถึงอย่างนั้นหรือเปล่าคำถามข้อที่สองนะคะแล้วเราสามารถจะช่วยได้ตอนไหนช่วยก่อนที่เขาจะเกิดกรรมหรือจะช่วยหลังเกิดกรรมหรือให้เฉยเฉยปล่อยวางไปเลยคะเพราะศาสนาสอนให้มีเมตตา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 แต่คนที่ไม่ได้ทำประโยชน์ไม่ได้ใช้เงินทองอไปให้เขามากก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรเพราะเขาไม่ได้เอาไปใช้ก็ เ, เอาไปเก็บไว้เฉยๆหรือเขาอาจจะไปใช้ในทางที่ไม่ถูกก็ได้าการช่วยเหลือก็ต้องดูทั้งผู้รับและผู้ให้ผู้ให้ก็ดูกำลังของตนผู้รับก็ดูกำลังของผู้รับว่าควรจะรับได้มากน้อยเพียงไรเพื่อจะได้ไม่เกิดความเสียหายหตามมา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 ความจำมันก็อนิจจังเลยสัญญานิจจานะแต่คนบางคนความจำดีเช่นพระนอ น, นุนนิเม้าเช้านี่ก็เลยเทศว่าท่านมีความสามารถในด้านความศึกษาจดจำสิ่งที่ท่านเรียนรู้มาคำสอนของพระเจ้าทั้งหมดที่ทรงสแสดงไว้ในสถานที่ต่างๆในพระอนนนิเป็นผู้จำได้หมด เ, ลเวลาทำการสังคายนาครั้งแรกนี้พระอนนนิเป็นผู้ทบทวน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 แต่ภาพที่เห็นตอนนั้นในจิตมันชัดมากเหมือนเห็นปลาที่อยู่ในน้ำใสามากจิตมันสบายยิ้มอยู่ข้างในมันเหมือนกับว่าเราเห็นคนสองคนทะเลาะกันอยู่ข้างในแล้วจิตแล้วมีคนที่สามดูอยู่ค่ะขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะชี้แนะอะไรนะถ้า <c oughs> ทำถูกแล้วเนี่ยคือดูจิตแล้วก็พยายาม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 ไม่มีพิธีแต่งงานไม่มีการรับรู้ของบิดามารดาญาติพี่น้องของทั้งสองฝ่ายแล้วพอเขาไปอยู่กับคนอื่นก็เหมือนกับว่าเปลี่ยนเพื่อนเคยเป็นเพื่อนกันก็เลกเป็นเพื่อนกันแล้วก็ไปเป็นไปเป็นเพื่อนกับอีกคนหนึ่งเท่านั้นเองก็คงคิดว่าคงไม่ไม่ผิดประเพณีเพราะไม่ได้มันผิดประเพณีตั้งแต่เลิกอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่แต่งงานนั่นแหละ ถ้าอยากจะอยู่อย่างถูกต้องก็ต้องทำให้ทำตามประเพณีก็มีการสู่ขอมีการขออนุญาตจากบิดามารดามีการมีการมีสักขีพยานรับรู้ว่าบุคคลสองคนนี้จะอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาอย่างนี้ถ้ามีอย่างนี้แล้วไปอยู่กับคนอื่นนะถึงจะเรียกว่าผิดประเพณีแต่ที่เราผิดประเพณีมาตั้งแต่ต้น ก็คือเราอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่มีการทําให้มันถูกต้องตามประเพณีก็เลยไม่รู้ว่าจะว่ามันถูกประเพณีหรือไม่ถูกเอาแล้วนะีะมีอะไรอีกไหมไม่ผิดประเพณีแต่มันผิดศีลนะคะก็ศีลมันมาจากคําว่าประเพณีไงศีลข้อสามนี่คือการเมสุมิชาจาราเวีรมาีคือการประพฤติที่ผิดประเพณี ในการอยู่ร่วมกันถ้าเราอยู่ในสังคมของเทศอศาศาสนาอิสลามเขาก็มีสามสี่คนได้อย่างนั้นก็ก็ไม่ถือว่าเป็นผิดประเพณีเพราะประเพณีของเขาเขาถือว่าไม่ผิดาาดนั้นศาสนาพูทธนี้ท่านก็บางทีก็ใช่หลักของประเพณีที่มีอยู่ถ้าประเพณีเขาเป็นอย่างนี้ก็อย่าทาไปผิดประเพณีเพราะไม่ต้องการให้เกิด ปัญหาตามมาขอถามเผื่อคนอื่นนะคะอันนี้ <c oughs> คือมีคนคนนึงเออมีคนที่ว่าจากเดิมที่เป็นเพศย์คารวาาหลังจากเปลี่ยนจากเพศย์าวา่าเป็นผู้ออกปฏิบัติหลังจากที่เขาเป็นเพศย์คารวาาที่เดิมๆทีเนี่ยอาทิตย์หนึ่งก็อาจจะไปปฏิบัติสามวันห้าวันสิบวันก็กลับมาทํางานต่อแต่หลังจากที่ออกไปไปฏิบัติโดยตรงแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันมีเวลาว่างมากแล้วก็ใจมันก็สู้กับกิเลสที่มันจะต้องดิ้นรนว่า ความที่มีเวลาว่างมากเนี่ยมันก็ฟุ้งซ่านมากด้วยนะฮะทีนี้อยากถามว่าเราจะมีวิหารธรรมข้อไหนที่จะให้การประพฤติปฏิบัติของผู้ที่ออกปฏิบัตินั้นดำเนินไปได้ตลอดรอดฟังนะคะก็คือการเจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่เท่า น, นั้นแหละที่จะสามารถทำให้ใจไม่ฟุ้งซ่านได้ใจสงบแล้วก็จะมีความสุขอยู่กับการอยู่คนเดียวได้ต้องเจริญสติ อยู่เสมอตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยอย่างที่ได้เทศไว้พอลืมตาขึ้นมาปั๊บก็ต้องตั้งสติก่อนเลยก่อนที่จะลุกไปทำอะไรแล้วก็ให้มีสติกำกับอยู่กับการทำงานไปตลอดจะด้วยการดูร่างกายไปหรือด้วยการบริกรรมพุทโธไปก็ได้ถ้าทำอย่างนี้ได้แล้วใจจะไม่ฟุ้งซ่านเพราะใจไม่สามารถไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ที่ฟุ้งก็พระไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็มี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 พรอยู่ก็ไม่มีความสุขเพราะมันไม่สงบแต่ถ้ามีสตินะมันจะว่างมันจะเย็นจะสบายเรียกว่าให้มีสติอยู่กับปัจจุบันในขณะนั้นขณะนั้นที่เราอยู่ขัน้นต้นถ้ายังไม่มีสติเอาสติก่อน <c oughs> แต่มีสติมีสมาธิแล้วใช้ปัญญาแทนสติได้เรียกว่าเขาตั้งใจว่าชีวิตนี้จะไม่ออกจาก ประเของการปฏิบัติแล้วนะค ะ, ะนั่นแหละเขาตั้งใจกับการความจริงมันอาจจะไม่ตรงกันคือตั้งใจแต่พอมาปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติเต็มที่ไม่ได้ปฏิบัติตามสูตรที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาฉันั้นให้เขากลับไปเจริญสติให้มากๆตั้งแต่ตื่นจนหลับถือเป็นงานหลักก่อนเลยจึงเป็นวิหารธรรมที่จะทําให้ผู้ปฏิบัตินั้น อยู่ได้ต่อไปไอย่างต่อเนื่องแล้ก็เจริญก้าวหน้าไปตามลําดับจนถึงขั้นสูงสุดได้นะ น, น, นะเวลาก็พอสมควรก็ขอยุติการสนทนาการไว้เพี่ยงเท่านี้ขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตรพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิด